เราก็มีอาชีพศึกษาศึกษาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพวกเราไม่เลยทำนาทำไรชีวิตของนบอาบวชสวัดว์ารามสัตวะกินอาหานของชาวบ้านสนับส น, นุนไม่เลื่อนใเนื้อของเราเพื่อการนี้เพื่อทําศึกษาและทำเป็นเครื่องี้งชีวิตชีวิตของเรามีสองส่วน ส่วนเนื้อหนังเลี้ยงด้วยเข้าบ่าอาหารส่วนจิตใจเลี้ยงด้วยศิลด้วยทั้จนถึงมรรคผลในพานได้ลเลี้ยงดีที่สุดก็ถึงมรรคผลในพานได้ว่าสําเร็จได้เนื้อหนังเลี้ยงดีก็มีอายุยืนยาวไม่เป็นโครคไขข้เจ็บแสดงว่าชีวิตของเราเป็สองส่วนอย่าปล่อยปละละเลยดูแลตัวเองให้ดี การปฏิบัติธรรมคือการดูแลตัวเองให้ดีๆจะให้มีวศักปัญหาทางกายและจิตใจเพื่อบริภรโภคปรภคบริโภคธรรมวิจยะโสดสงดูเขี่ยวให้ดีธรรมวิจยะเนี่ยการกบเขี้ยวอาหารกับบริงอาหารเขี้ยวดีๆอย่าให้มีโทษภยัยพิษภยัย เน้นจะปากจะท้องป้องให้ดีอาหารทางใจไรที่มากระทบเชี่ยวดีๆอย่าคืนลงไปตัวหน้ารูหลังบางทีบอกคืนไม่เอาบางทีมันจะส่งมาอาหารว่าโนัสัญเจตรอาหารอาหารทางใจเนี่ยบางทีสิเวทล้มปรุงให้บางทีตัวเองก็ขยันปรุง เอาคุ้นคุ้นชิดเอาจิตไปย่อมอารมณ์ง่ายง่ายไ ม, ม, ม e ่รู้จักขบเคี้ยวความโกรธความโกความหลงก็เอาความทุกข์ก็เอาความรักความชังก็เอามันก็เจริญยังหานั่นความหลงก็เกิดโลกความรักความชังก็เกิดโลกความทุกข์ความสุขก็เกิดโลกได้มีการเกิดเจ็บเจ็บตายที่นั่นด้วยตายพวกความทุกข์ตายพวกความสุขตายพวกความโลภความหลงตายพวกความรักความชัง เกิดดับเกิดดับถ้าเรารู้ได้ดีๆมันจะไม่เกิดตรงนั้นหยุดเกิดซะไม่มีอีกแล้วมีแต่ชีวิตล้วนๆนะน่ะต้องติดต้อยให้ตามในการศึกษาชีวิตของเราให้ร่งทันนั้นเราทํางานทำงานต้องทําให้มันทันงานนั้นเราท่องหนังสือถ้าท่องเราทิ้งแไงท่องเราทิ้งไปมันก็ได้จ้า ทองนังสือเคอยติดห้องให้ติดต่อกั น, นรักสองสามวันอาทิตย์หนึง่งมันก็ติดได้ง่าย้องปฏิโมกห้องธรรมจักที่เป็นสูตรยาวๆนะธรรมจักเนะ่ยถ้าที่เป็นการติดได้ยากเลยไม่เกิ น, น, าานเดือนหนึ่งมีครูอาจารย์สมัยบทใหม่ๆห้องบทต่างๆเนี่ยเดือนหนึ่งได้บททุกบท ถ้าอยากทิก้งต้องให้ตั้งใจอยู่เดือนหนึง่งบวชมาแล้วเดือนหนึ่งเธอต้องพยายามท่องอะไรให้มันได้ทุกบทที่เป็นการใช่เดือนหนึ่งเต็มๆหน่อยทองไดหมดหละแต่ถ้าเราไม่ท่องมันก็ไม่ติดการเจริญสติก็เหมือนกันแต่รู้หลงทีเดียก็รู้หลงทีเดียก็รู้หลงทีเดียก็รู้มันตามทันก็นรู้ก็เลยชํานาญจตกแค่มันหลง อยากให้มันทุกจะได้เห็นจะได้รู้มันก็เจ๋งตรงนี้มันก็ติดตรงนี้ไปไม่มีอะไรที่มามันก็ติดตัวรู้ไปต้องง่ายเลยพ่ะนะ่ะถ้ามีสภาวะที่รู้เป็นเจ้าเรือนเป็นหลักเสาเขื่อนได้แล้วก็วไม่หวัดไหวในจิตการทั้งกวงอย่าทิ้งทิ้งควงควง้างตามดูยิงดีเลย หลวงพ่อเทียนบอกเราเอาจริงๆเนี่ยมันไม่นานบางที่นั่งเฝ้าก็ได้ถ้าผู้ที่ทําจริงได้พูดเรื่องเก่าได้สอนเรื่องเก่าได้เห็นเรื่องเก่าผู้ที่สอนก็ได้พูดเรื่องเก่าผู้ที่ปฏิบัติก็เห็นอันเก่าได้ข้อมูลอันเก่าผู้ที่ให้ข้อมูลก็อันเก่าสิ่งที่ให้ข้อมูลนั้นเก่ามันก็ชั่วไม่จำนาญได้บทเรียน หลงก็ดีได้บทเรียนจากความหลงมันสุขมันทุกได้บทเรียนจากความสุขความทุกแต่ไม่ศึกษาไม่รู้เรื่องนี้มันก็ฟรีความหลงก็ฟรีความทุ ก, ก็ฟรีความสุขก็ฟรีแต่ที่จะมีประโยชน์บางทีมัก็ไม่ได้แปลเป็นประโยชน์เลยเลยที่ดีความหลงถ้าเราศึกษามันนะ่ะเราจะพบกรรมฐานเนะี่ต่วหน้าต่อตอทาทันที พอเริ่มพ้นการศาึกษาก็ไปเจอเอาจังเก่เจอกายเจอสติเจอความหลงในผู้สูตก็บอกให้เรามีสติดูกายกายมันก็มีสติกายมันก็มีความหลงกายก็มีความสุขกายก็มีความทุกข์ปัญหาที่เกิดกับกายหลายอย่างถ้ามีสติก็เห็นเข้าเห็นเข้าสติก็ได้บทเรียนจากกายจน พูดออกมาว่ากายสภาวกายไม่ใช่จิตปุกคนัวตนเหลาเขาเพราะสติมันเจ๊งคสติพาให้พูดสติพาให้เกิดความเห็นไม่ใช่เป็นการท่องจำมันเป็นการอุทานออกมาจากภายในของใจเรามันก็เจอของจริงของไม่จริงเจอของจริงของจริงแต่ก่มันของไม่จริงเังมาเป็นของจริง ของไม่จริงก็มันเป็นตัวเป็นต้นของจริงไม่เอามาเป็นตัวเป็นตนเอาความไม่ใช่ตัวใช่ตนมาเป็นเรื่องออกหน้าๆๆออกตาเช่นความสุขเช่นความทุกข์มันไม่จริงก็ไม่สุขก็ไม่ทุกข์มันจริงแต่ไม่เคยท่องเที่ยวไม่เคยทําให้มีมันก็เลยไม่เห็นตามความเป็นจริงความสุข ความทุกข์มันเด่นกว่าความมั่ยสุขความไม่ทุกข์ไปมีสติมันไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยโชว์เพราะเราไม่ศึกษาดูจริงๆให้ถึงลดถึงชาติสัมผัสกับความหลงความรู้จริงๆเทียงตะบอกกันเฉยมันก็ไม่ได้เมื่อเราหัดทํางานที่ทําเป็นเทียงตะบอกเฉยๆไม่หัดก็รู้รู้โชดจําได้ไกับอีก้า สองหยขว่มสามทุกที่กายน่องขามสองหยกสี่ขามสามทุกที่ลายไม่ไผ่ลายไม่ไผ่ถ้าจะสารกองข้าวสานฝาสารตะ ก, ก้ามันมีสูตจังไกงก็อีก้าขวมหง่อนสองก็อีย่องขว่มสองยกสี่ขว่มสามทุกที่แล้วไม่ใช่พูดเอาไปมือไปโยกดูเอาตอกที่ จากแล้วเราแล้วมาวางอะยกสองข้ามสามยกสี่ยกสี่ข้ามสามยกสองไปจากสี่ห้าเช่นใช่ไหมรอบที่สองบอลย่อสองห่ย่อสี่บอลย่อสีห่ย่อสองข้ามสามตกที่อน้นองตาเคยไปเ ร, ยเรียนเรียนสารกัดดุงกระฆ่าเรียนสารกล่องข้าวเรียนสารผาบ้านผ้าเลือนได้สูตรมาเลยไม่หัดมันก็ไม่เป็นนะ กายจะว่ากายไอ้ชีสัตว์บุคคลโตตนเราเขาเอามาหัดลองดูเลยเห็นกายมันจะเป็นตัวเป็นตนหรือมันเห็นหรือมันเป็นถ้าเห็นมันดีถ้าเป็นแล้วก็ไม่ได้ศึกษาเท่ากับถ้าเป็นมันสุกก็เป็นสุกมันทุกข์ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ศึกษาเลยเลยเป็นอยู่เช่นนั้นถ้าเห็นเรามันก็แยกออกมามันติดตามเวลาทํางานมันติดตามติดตามไม่ใช่ อยู่ที่เก่ามันเลื่อนไปต่างอย่างเราท่องสูตรคูนสูตรเลขสูตรลูกคิดจิ๊บโ้สาสีเงาลักซิกพวยก็จบไม่ใช่ปากี่เยออเมริกันด้วยจิบคืออะไรหนึ่งซีเ ส, สาสีเงล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บก็สิบไอ้พวยคินแตัดไปคิดไปคิดมาพามาดูก็เป็นตัวเลขอันนี้เป็นหลักหน่วยสี่ร้อยพันมันคืออะไรหน่วยคือเลขหนึ่งแต่เลขหนึ่งมีมีสองลูก มันก็ไม่เรียกว่าหนึ่งแล้วคิดไปอันนี้มันหัดทําไม่ใช่ปากพูดมือมันไปเราะั้นเราเรียนพิมพ์ด็ดตัวอักษรอยู่ที่ไหนตัวหัดมือให้ไปตามลูกศรตตำตัอตวอักษรถ้าหนึ่งก็ต้องอยู่นี่สองขอไก่ ข, ข้อขายอยู่ตรงนี้เหนือมันเต้นไปตามตวัตวอักษรพอหัดเป็นแล้วมือก็ไปเองไม่ต้องตาไปดูอันเราไม่แหบก็ไม่เป็นหรอกแม้แต่รูปคํา้ำก็ยังไม่ได้ กดตัวหนึ่งถ้าเราเขียนมันได้ไวกว่าพอมาดูต้องไปกดขีดมันเลยนะหัดจากนั้นมาไม่เก่งก็เรียนให้มันดีจริงๆมันก็ใช้นิ้วรูกนิ้วมันก็ไปของมันเองหัดหัดมันจึงเป็นไม่ใช่บอกไม่ใช่รู้คนที่มันจะรู้หัดทําเป็นก่อนกายสักวรกายทําเป็นเวทนาสักเวทนาทําเป็นมาทางนี้ก่อน แต่ก่อนกลายเป็นสุขกลายเป็นทุกข์เวทนาเป็นสุขเวทนาเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่พอหน้าบูดหน้าบิ้วเขวาอันที่จะซื่นใจเวทนาที่มันเกิดขึ้นซื่นใจไม่ใช่หน้าบูดหน้าบึงนาเห็นจริงมันก็เปลี่ยนไปนี่คือของจริงในความสุขมันก็เห็นเท่าเก่าในความทุกข์ก็เห็นเท่าเก่าเพราะว่าเห็นมันเท่าเก่า ไม่ไม่ไม่มีอะไรภาพภาวะที่เป็นมันต่างกันทุกขก็เป็นอันหนึ่งทุกข์ก็เป็นอันหนึ่งเดี๋ยวภาวะที่เห็นมาอันเดียวกันไม่มีอะไรต่างกันลาบลื่นลาบเรียบไม่มีคลื่นไม่มีฝั่งไม่มีหนกไม่เหวถ้าพระนิพพานแต่โลกมันหั่วงน้ําพระนิพพานมัือฝั่งทำไมจึงมีฝั่งเพราะมันเป็นทําไมจึงมีหั่วงน้าเพราะมันเป็น ว่าจมอยู่กับความสุขไม่เห็นสุขจมอยู่กับความทุกข์ไม่เห็นทุกข์ก็เห็นเราหน้าไ ม, ม่มีตื้นขึ้นมาก็สัมผัสดูก็ร่วงพ้นภาวะเก่าล่วงพ้นภาวะเก่าแต่ความมันไม่ร่วงพ้ น, พพนสุข ก, ก็สุขอยู่นั้นทุกข์ก็ทุกข์อยู่นั้นเดิมอยู่นั้นแต่ทั้งที่ไม่จริงนเราเห็นแล้วมื่ก็ ความจริงมันก็เป็นจริงความไม่จริงก็เป็นไม่จริงเกิดสมาธิติเกิดสมาธิติเป็นของส่วนตัวชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัจจุพานอันที่มัน เ, เสร็จเขเสร็ตไแล้วไม่มีอีกจบไปแล้วความหลงจบไปแล้ว ความโกรธจบไปแล้วความทุกข์จบไปแล้วความลักความฉังจบไปแล้วเมื่อมันจบอันจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดให้ตาคณาเกิดสติปัญญานั้นตาทางด้านพิษเหนือสลากหอวไหปลูกบอ่อยๆปลูกบ่อยๆป่าพงม้ามีสักต้นมันมีอะไรขึ้นแตน่มันมีไม่ใช่คงเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์ แต่ก่อนเหตุละโงกไมเมีอย่างนี้เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปเหตุละโง่ก็เกิดขึ้นสิบวัลร่อมตามมาจากที่เคยสุขเคยทุกข์เมื่อเห็นมันสุขมันทุกข์สิบวัลร่อมเกิดขึ้นใหม่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาขึ้นมาแทนเป็นบุญเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาแทนใช่ได้กายก็ใช่ได้วาจาก็พูดได้จิตใจก็ใช่ได้แต่ก่อนมันใช่ไปไหนเลยกายตายผิดศีลผิดธรรม ภาพเป็นสุขเป็นทุกข์มีการมีใจภาพเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ก่อนน่ะมีการมีใจภาพเกิดคิดเหตตัณหาเพราะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการมีใจเกิดสินเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาันแทนที่เพราะนั้นเราอย่าประมาทโอกาสนี่เต็มที่แล้วติดตามให้ดีๆชีวิตจะมีค่ามีคุณภาพมีประโยชน์ เลยเปลี่ยนควาหลงความรู้มวอเช่าก็ได้เปลี่ยนกลางวันก็ได้เพี่ยนตอนเย็นก็ได้เพี่ยนเห็นเรื่อยเห็นเรื่อยนั้นเกิดมากเห็นมันรูปไปบทเรียนเยอะแยะในกาในใจเรานะมันมีเฉพาะกายไม่มีเฉพาะใจอาการง้องกายอาการง้องใจก็มีมันโชว์มันแสดงแล้วก็ศึกษา ชีวิตของพวกเรานกบววเราอยู่ด้วยกันอย่างนี้กันเดียวกันแท้ๆเราไม่ใช่คนอื่นที่ไหนเลยเป็นคนคนเดียวกันเดือ น, นี้เดือนสามขึ้นหนึ่งคำเป็นรื่อเดือนสามอันนี้จริงเวลล้อมลืเดือนสามไม่หนาวใช่ไหมมีก้อนเมฆเมฆมันหอ่อ ถ้าเมฆมันเป็นผ้าห่มไม่หนาวอุ่นขึ้นมาถ้าวันไหนฝ้าใสมันหนาวไม่มีผ้าห่มวันนั้นผ้าห่มเปื้อนใหญ่คือก้อนเมฆไม่หนาวเหมือนเมื่อวานในเมื่อวานหนาวกว่าเนะี่ยมันก็เลื่อนเดือนสามเดือนสามมีดีหลายอย่างเดือนสามขึ้นสามขึ้นมีดียังไง โบรานเขาว่ากบไม่มีปากนาคไม่มีรูก้นมีข้าวขึ้นยุกขึ้นฉางเขาจะตักข้าววันนี้ตั้งแต่ข้าวขึ้นยุกขึ้นฉางเขาไม่ตักข้าววันนี้เพื่อวันขึ้นเดือนสามมันขึ้นเดือนสา ม, ม, สามต้องเปิดประตูเหล่าเอาเข้าไปวัดนเข้าออกไปวัดเอาไปวัดก่อนจึงค่อยจิน วันขึ้นเดินสามเอาใหม่สามข้ามเดือนสามให้เปิดประตูเข้าหาเข้าไปวัดไปทางก่อนแล้วค่อยไปกินกบโบราณแล้วก็วันเพ็ญเดือนสามเดี๋วันขึ้นเดือนสามเอาปุ๋ยเอาปุ่นไปใส่นากนจะหาปุ๋นหาปุ๋ยขี้วัวขี้ควายไปใส่นาของตอนเองใส่ น, น้อยก็มีคุณค่า ตรงไหนที่มันสูงอ็ไปใส่ทางน้ำหนบหนึ่งมันไหลามาจากทางโน้นนาเรามีที่สูงที่ต่ำทิดเหนือทิ่ใต้้ตางน้ำไหลามาเอาไปใส่ทางน้ำคุยมันจะซึมไปทั่วนาตรงเวลาคารบม่ทรณีคารบแผ่นดินตรงดินให้อยู่ สร้างดินได้อยู่สร้างอูให้นอนเจ้าแม่ชร น, นีต่างโคศพคือข้าวกาบักบตางอากาพื้นดินของตัวเองได้กินข้าวได้อยู่ได้กินเพราะดินผื้นนี้เวลาข้าวกจะสสารเอาเข้าวกระสสารไปให้ตัวนีแผ่นดินข้าวก็งามขึ้นเงินสิบให้กมาลานวันเป็นเงินสามก็เกี่ยวกับพุทธประวัติ พระเจ้าจแสดงว่าปฏิโมขแก่ภิกษุหนึ่งพันสองรอห้าสิบรูปเป็นหีภิกขุสำ ม, มธาเป็นพระหันทั้งหมดมากันไม่ได้นัดนหมายเป็นสามมีดีหลายอย่างบนเขา้าจีไปไปดีรีสิบสองของสิบสี่จะรีสิบสองของสิบสี่รู้ไหมของสิบสี่จะรีสิบสองรู้ไหมของสิบสี่ ที่12อก็อันหนึ่งครอง14ก็อันหนึ่งครองส4เกี่ยวกับปัญญาสามีปฏิบัติต่อกันที่ส2องหมายถึงการทำบนดำทานประจำเดือนส2องเดือนครอง14สามีปัญญาปฏิบัติต่อกัน14อย่างถ้าไม่ปฏิบัติตามครอง14ไม่เจริญ เราเราปฏิบัติตามคนเดียวก็มาได้คนหนึ่งไม่ปฏิบัติตามมันก็ไม่เจริญสามีปฏิบัติตามของสิบสี่ปัญญาไม่ปฏิบัติตามมันก็ไปด้วยกันมาได้ปัญญาปฏิบัติตามของสิบสี่สามีไม่ปฏิบัติตามก็อยู่ด้วยกันมาได้หัวผ้าพีจึงได้เป็นห้างเมียผ้าพีจึงได้เป็นห้างเออดีเป็นไรสามีดีเท่าไหร่ถ้าเมียไม่ดีก็ห้างนะย สามีเท่าไหรปัญญาดีเท่าให่สามีไม่ดีก็ห่างได้เพราะฉะนั้นจึงให้ปฏิบัติตามครอ 14, สิบสี่เสมอการหลังก็วัวเทียมเกลียนนี่เดือนประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์จะช่างมาปั้นวัวเทียมเกลียนให้ทิศเหนือก็ติจันทร์คนใกล้กักบกติจันทร์ท้ยชัยเอาปั้นวัวเทียมเกลียนให้ดูวัวเทียมเกลียนคือมัน มีความหมายหลายอยา่างมันต้องดันเสมอกันระหว่างสามีปัญญาก็ได้ผู้หญิงเป็นเท่าชายผู้ชายเป็นเท่าขวานั้นเดืยวเทอมเกียนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนเดือเทมเกียน ร, ระหว่หางอินทรีห้าให้มันเสมอกันมีทานมีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาห้าอยา่างเหมือน 1, นิ้วห้านิ้วแล้วจับมีดสองนิ้ววันไม่ขาดหรอจับดัมจกสองนิ้วนี่ ขั่นขาน้าเลยบอ <laughs> ต้องมีอินรี่ห้าเหมือนเวอร์เทียมเกียนไหนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันต้องมีศรัทธาเป็นทูลให้มีความศรัทธาอย่เบื่อนายว่าทำอย่างนี้มันถูกต้องทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วศรัทธาเป็นเนื้อนาวุริยะใส่ใจที่ทำความดีอย่าท้อถอยสติมีสติลงไป โอกลงไปมีความเพียรมันนําผลชุ่มช่ำไม่เหือดแห้งในหัวใจมีสมาธิหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวมันหิวก็ไม่หวั่นไหวมันร้อนก็ไม่หวั่นไหวมันหนาวก็ไม่หวั่นไหวมั่นคงเหมือนก้อนหินลงพัดไม่หวั่นไหวไม่ปิววันนุ่นไม่ปิววันเข้ารีบสมาธิเหมันหิน ปัญญาก็เลยจะเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้เปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้เปลี่ยนความสุขเป็นความรู้ห้าอย่างให้เสมอกันหัวเถียมเกีย น, นกหนักมันก็เอาเบามันก็เอาหัวเถียมเกียนเคยเป็นเพราะว่าเขียนสมัยก่อนไปขายข้ากับพ่ อ, อยูเหรียญตอนน้องเกไม่มีโรงสีไปขายข้าวที่ร่องเหลือหนอนวบอคู่ไหนที่มัน เป็นวัวเกลียนเกลียมเกียนที่หัดตีแล้วก็เอางานดีมันหยาเห็นตมตรง น, งนี้มันต้องบุกไปใส่ต้องจับไปมันดิน้นเห็นวัวเห็นตนโขนเอกหน้ามันดิน้นแย่ๆลุยฮะแต่วัววางตัวปดแอกเลยไปสู้เออวัววัวดือวด้อปดแอกเห็นไหมจับไม้ใส่เกียนมันปวดทิ้งเลยวางตัวก็นอนเลยไม่ลุกเลย แต่บางตัวนี่พอยกแ Ẻ กขึ้นมันเดินเข้าแอกเลยตัไม่เคยเห็นนะตาเคยอยู่กับวัวก็ขวายซื่อสัตว์เหมือนหมาขี้ข้าเหมือนหัวพอยกแ Ẻ กขึ้นวัวมันเดินเข้าเลยตึ๊บทันทีเลยมันยืมเนี่ยมันขยันเวลาเสือนคนข้างหน้ามันวัวเขาคู่นึงไปก่อนมันไปติดอยู่ไอ้เจ้านี่มันตึงเว้ยเดินขวางหน้าไว้ดันไม่มันอยากไป วัวกูนั่นไปแล้พอไปนอพัดตีกันเลยอายใหญ่สิบเดือนเลยมันอยากได้กว่าแล้ววัวนะต้องเอามาเทียมเกล็นชุดผัดเดินไปคู่วังกีบัววางตัวมันไม่ก้าปวดแอกต้องเอาคู่นี้มาใส่ดึงไปถ้าไปขายข้านะี่ยถ้าวัวคู่นี้ไม่ไปมกกักจะไม่มีใครไปแต่ว่าเท่า น, นั้นไปบอเออเท่า น, นั้นไปที่ไปอยู่ เพราะว่าอาศัยให้ชุดเกียน์ไปก่อนเรากวงกันนะบางทีนี่อ่อนแอง่วงนอนนี่นก็หลับแล้วหาพิธีจี้หลับแล้วหาตาเราจะไปไหนเนาะอดนอนหลับที่ไหนเ น, ะนอะนอนก็ก็ก็เขา้าที่นอนหลับไปเลยไม่สู้สักหน่อยเหมือนวัวไม่เอาเกวียนไม่เอาอยากนิดหน่อยก็ไม่สู้แล้ว